ทรงสอบถามลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฉับ พ, พัก ค, คีลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปัปพาชนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุเขปนียกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้าจิงหรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายการกระทาของโมคะบุรุษเหล่านั้นไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทาเลยภิกษุทั้งหลายชไหน โมคบุรุษเหล่านั้นจึงได้ลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปรับภาชนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุกเขปณียกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้าเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทําของโมคบุรุษเหล่านั้นนั่นมิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละ ครั้นทรงตำหนิแล้วและทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายตัชนิยกรรมก็ดีนิยสกรรมก็ดีปปพาชนิยกรรมก็ดีปฏิสารณียกรรมก็ดีอุเขปนิยกรรมก็ดีภิกษุไม่พึงลงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้า รูปใดลงต้องอาบัตทุกกฎ